110. ปัญจอัสปหิตานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตสัตหะกรณิยะเมื่อสาธรมิกทั้ง5้าจะไม่ส่งทูตมาเรื่องภิกษุเป็นไข้เป็นต้นข้อ 193. สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ได้ส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นไข้ขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายแม้สาธมิกทั้งห้าคือภิกษุณีภิกษุศิกขาโมานาสมเนตสมเนนรีจะไม่ส่งทูตมาเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหะการณียะได้ไม่จําต้องกล่าวถึงสาธมิกทั้งห้าส่งทูตมาภิกษุทั้งหลายเมื่อสาธมิกทั้งห้าเหล่านี้ แม้ไม่ได้ส่งทูตมาเราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตหกรณียะได้ไม่จําต้องกล่าวถึงเมื่อสาธมิกทั้งหส่งทูตมาแต่พึงกลับในเจวันสัตตหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ10กรณีหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุเป็นไข้ถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นไข้ กอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสตหากรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจากสแสวงหาคีลานะพัทคีลานุปัฏฐะกพัทหรือคีลานเพสัตจักถามอาการหรือจักพยาบาลแต่พึงกลับในเจวัน 2. ภิกษุทั้งหลาย อนนัในกรณีนี้ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่ภิกษุถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่กระผมแล้วขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูษมาก็ไปด้วยสัตตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะระงับความไม่ยินดีเอง หรือจะใช้ภิกษุอื่นให้ช่วยระงับหรือจะแสดงธรรมคาถาแก่ภิกษุนั้นแต่พึงกลับในเจ็ดวัน 3. ภิกษุทั้งหลายอนนในกรณีนี้ความรำคาญเกิดขึ้นแก่ภิกษุถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูดไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าความรำคาญเกิดขึ้นแก่กระผมแล้ว ขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหะกรณียะได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะบรรเทาความรําคาญเองหรือจะใช้ภิกษุอื่นให้บรรเทาหรือจะแสดงธรรมกถาแก่ภิกษุนั้นแต่พึงกลับ ในวัน 4. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่ภิกษุถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่กระผมแล้วขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหากรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่า เราจะเปลื่องความเห็นผิดเองหรือจะใช้ภิกษุอื่นให้ช่วยเปลื่องหรือจะแสดงทำกระถาแก่ภิกษุนั้นแต่พึงกลับใน7วัน 5. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้ต้องคารุธรรมควรอยู่ปริวาตถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมต้องคารุธรรมควรอยู่ปริวาตขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มา ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสตากาณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาเพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความขวนขวายให้ปริวาทหรือจะช่วยสวยดกรรมวาจาหรือจะเป็นคณะปูรกะแต่เพึงกลับในเจ็ดวัน 6. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิม ถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบาัตเดิมขอรัฒนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหักกรณียาได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทาความควรควายชักเข้าหาอาบัตเดิม หรือจากช่วยสวดกรรมวาจาหรือจากเป็นคณะปูรกะแต่พึงกลับใน7วัน 7. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้ควรมานัดถ้าภิกษุนั้นจะพึงสง่งโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นผู้ควรมานัดขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่สง่งโทษมาก็ไปด้วยสัตหะกรณียะได้ ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งโทษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความขวนขวายให้มานัดหรือจะช่วยสวดกรรมวาจาหรือจะเป็นคณะภูรกะแต่พึงกลับในเจ็ดวัน 8. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้ควรอภารถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นผู้ควรอภานขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมา กระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งททษมาก็ไปด้วยสตหะกรณียาได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นทรงททษมาเพิ่งไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความขวนขวายให้อภาร์หรือจะช่วยสวดกรรมวาจาหรือจะเป็นคณะปุรกะศแต่เพิ่งกลับในเจ็ดวัน 9. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ สงต้องการจะทํากรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปปพาชนียกรรมปฏิสา ร, ร, ร, รออนียกรรมหรืออุเคปณียกรรมแก่ภิกษุถ้าภิกษุนั้นจะพึงส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าสงเป็นผู้ต้องการจะทํากรรมแก่กระผมขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสั ต, ตหกรณียะได้ ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอะสงจะไม่พึงทํากรรมหรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาแต่พึงกลับในเจวัน 10. ก็หรือว่าภิกษุนั้นถูกสงทำกรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปปภาชนียกรรมปฏิสารณิยกรรมหรืออุเคปนิยกรรมแล้ว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 เยอ่อยิงพึงกลับตัวได้สงพึงระงับกรรมนั้นเสียแต่พึงกลับในเจ็วันสัตหักรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี9กรณีข้อ194 1. ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุณีเป็นไข่ถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันเป็นไข้ขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูดมาก็ไปด้วยสตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูดมาเพื่อไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาคีลานพัฒคีลานุปัฏฐากพัฒหรือคีลานเภสัชจกถามอาการหรือจากพยาบาลแต่เพิ่งกลับในเจวัน 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่ภิกษุณี ถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่ดิฉันแล้วขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งโทษมาก็ไปด้วยสตตากรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งโทษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะกระ ง, งับความไม่ยินดีเองหรือจะใช้ภิกษุอื่นช่วยระ ง, งับ หรือจะแสดงธรรมกระถาแก่ภิกษุนีนั้นแต่พึงกลับใน7วัน 3. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความรําคาญเกิดขึ้นแก่ภิกษุณีถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าความรําคาญเกิดขึ้นแก่ดิฉันแล้วขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูตมา ก็ไปด้วยสัตหะกริญยาได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูตมาเพิ่งไปด้วยตั้งใจว่าเราจะบรรเทาความรำคาญเองหรือจะใช้ภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทาหรือจะแสดงธรรมคถาแก่ภิกษุณีนั้นแต่เพิ่งกลับใน7วัน 4. พภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่ภิกษุนิถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่ดิฉันแล้วขอรัฒนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะเปลื้องความเห็นผิดเองหรือจะใช้ภิกษุอื่นให้ช่วยเปลื้องหรือจะแสดงธรรมกถาแก่ภิกษุณีนั้นแต่พึงกลับในเจวันห ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุณีเป็นผู้ต้องคารุธรรมควรแก่มานัตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันเองต้องคารุธรรมควรแก่มานัตขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสตหกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความขวนขวายให้มานัต จะพึงกลับใน7วัน 6. ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุณีเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบาตเดิมถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันเป็นผู้ควรชักเข้าหาอาบาตเดิมขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทําความคนไขยชักเข้าหาอ ბ ัตเดิมแต่พึงกลับในเจ็ดวัน 7. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุณีในธรรมบนัยนี้เป็นผู้ควรอภารถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันเป็นผู้ควรอภารขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตากรณียะได้ไม่จําต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทําความขวนขวายให้อาภารแต่พึงกลับใน7วัน 8. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้สงต้องการจะทํากรรมคือตัชนิยกรรมนิยสกรรมปปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเคปนิยกรรม แก่ภิกษุณีถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าสงเป็นผู้ต้องการจะทำกรรมแก่ดิฉันขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่สงทูตมาก็ไปด้วยสตหาหกรณีิยได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงจะไม่พึงทำกรรม หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาแต่พึงกลับในเจ็ดวัน 9. ก็หรือว่าภิกษุณีนั้นถูกสงฆ์ทำกรรมคือตัชนียกรรมนิยสกรรมปปพาชนียกรรมปติสารณียกรรมหรืออุเคปณียกรรมแล้วถ้าภิกษุณีนั้นจะพึงสงฆูโทษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าสงทํากรรมแก่ดิฉันแล้วขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มา ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุณีนั้นจะไม่ส่งทูดมาก็ไปด้วยสัตากะรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อภิกษุณีนั้นส่งทูดมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าด้วยบายอย่างไรหนอภิกษุณีนั้นจะพึงประพฤติชอบพึงหายเยื่ยยิงพึงกลับตัวได้สงพึงระ ง, งับกรรมนั้นเสียแต่พึงกลับในเจ็ดวันสตากรณียะเนื่องด้วยสิกขานาหกรณี ข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ศิกคามนาเป็นไข้ถ้าสิกคามนานั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิาฉันเป็นไข้ขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิาฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สิกคามนานั้นจะไม่ส่งทูษมาก็ไปด้วยสัตากกรณียะได้ไม่จำต้องเปล่าถึงเมื่อสิกคามนานั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่า เราจากสแสวงหาคีฬานพัคขีลานุปัฏฐากพัทหรือคีฬานภเัตจากถามอาการหรือจากพยาบาลแต่พึงกลับในเจวัน 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่ศิกคามนา 3. ความรำคาญเกิดขึ้นแก่สิกคามนา 4. ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่ศิกขามนา 5. ศาสิทธะของสิกคามนากรรเริบ ถ้าสิกขมานานั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าสิกขาของดิฉันกำเริบแล้วขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สิกขามานานั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสตหกอรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสิกขามานานั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความวขนไหวยให้สิกสมาทานสิกขาแต่พึงกลับในเจวัน 6. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้สิกขมานาต้องการจะอุปสมบทถ้าสิกขามานานั้นจะพึงส่งทูษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันต้องการจะอุปสมบทขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สิกขมานานั้นจะไม่ส่งทูษมาก็ไปด้วยสตหากรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสิกขมานานั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่า เราจะทำความคนขวายให้อุปสมบทหรือจะช่วยสวดกรรมวาจาหรือจะเป็นคณะภูรกะแต่พึงกลับในเจ็ดวันสัตตาหะกรณียะอันเนื่องด้วยสั ม, มเนยหกรณีข้อ196 1. ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้สั ม, มเนยเป็นไข้ถ้าสั ม, มเ น, นนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเป็นไข้ขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมา กระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สมาเนนนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตาะกรณีได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสาเนนนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาคีลานพั์คีลานุปถากัภั์หรือคีลานเภสั์จกถามอาการหรือจะพยาบาลแต่พึงกลับในเจวัน 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่สำเนน สความรําคาญเกิดขึ้นแก่สมัมเนธ 4. ความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่สมัเสมนเนธ 5. สัมเนธต้องการจะถามปีถ้าสมัมเนธนั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมเองต้องการจะถามปีขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สมัมเนธนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหกรณียะได้ไม่จําต้องกล่าวถึงเมื่อสมัมเนธนั้นส่งทูตมา พึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะถามหรือจักบอกแต่พึงกลับใน7วัน 6. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้สำเนินต้องการจะอุปสมบทถ้าสำเนินั้นจะพึงส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่ากระผมต้องการจะอุปสมบทขอรัตนาภิกษุทั้งหลายมากระผมประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สำเนินั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตห ก, กรณียะได้ ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสำเนินนั้นส่งทูตมาเพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำความขวนขวายให้อุปสมบทหรือจกช่วยสวยดกรรมวาจาหรือจกเป็นคณะปุรกะแต่พึงกลับในเจ็ดวันสัตตากรณียะเนื่องด้วยสำเนรีหกรณีข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้สำเนรีเป็นไข้ ถ้าสำเนรีนั้นจะพึงส่งททษไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันเป็นไข้ขอรัตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาภิกษุทั้งหลายแม้สำเนรีนั้นจะไม่ส่งทูษมาก็ไปด้วยสัตหะกรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสำเนรีนั้นส่งทูษมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะแสวงหาขีฬานพัทขิลานุปัฏฐกพัทหรือขิลานาเภสัต จะถามอาการหรือจัคพยาบาลแต่พึงกลับในเจวัน 2. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่สํำเนรี 3. ความรำคาญเกิดขึ้นแก่สํำเนรี 4. ความเห็นผิถเกิดขึ้นแก่สํำเนรี 5. สําสเนรีต้องการจะถามปีถ้าสํำเนรีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันต้องการจะถามปีขอรัตนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มา ภิกษุทั้งหลายแม้สําเนรีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสัตหกรณียะได้ไม่จําต้องกล่าวถึงเมื่อสําเนรีนั้นส่งทูตมาพึงไปด้วยตั้งใจว่าเราจะถามหรือจักบอกแต่พึงกลับใน7วัน 6. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้สําเนรีต้องการจะถัดสมาทานศิกขาถ้าสําเนรีนั้นจะพึงส่งทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายว่าดิฉันต้องการจะสมาทานศิกขา ขอรัฒนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาดิฉันประสงค์ให้มาพิกษุทั้งหลายแม้สมเนรีนั้นจะไม่ส่งทูตมาก็ไปด้วยสตากรณียะได้ไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อสมเนรีนั้นส่งทูตมาเพงไปได้วยตั้งใจว่าเราจะทำความควนไายให้สมาธานศิกขาแต่เพิ่งกลับในเจ็ดวัน